นะโมตัสสะตังกวาโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตังกวาโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสสะปิพาวิตสมาธิมหพลโหติมหานิสังโซ สมาธิปริพาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิส ah ั่งซาปัญญาปริภาวิตังติตังสมะเดวอาสเวหิวิมุตติอิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัโทซาธาญาสมันติหิสกจังโสตบุติ ณนะโอกาสนี้เป็นเวลาที่จะได้บรรยายธรรมและฟังธรรมการฟังธรรมก็ดีการบรรยายธรรมก็ดีเป็นการปฏิบัติสมาธิอีกประเภทหนึ่ง ละผู้บรรยายธรรมก็ต้องมีสติควบคุมจิตคอยรักษาคำพูดสํานนนคำพูดให้เหมาะกับจริตของผู้ฟังผู้ฟังก็ตั้งใจจดจ่อมีสติกำหนดรู้จิตโดยเอาเสียงแห่งการแสดงธรรมเป็นอารมณ์จิต เป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งละลึกของสติโสตทวารทวารคือหูประตูคือหูเป็นช่องทางเข้าออกของอารมณ์ช่องหนึ่งซึ่งเรียกว่าโสตทวารสิ่งที่มาสัมผัสกับประสาททางหูคือเสียง เมื่อผู้ฟังมีสติกำหนดรู้จิตเสียงเข้ามามีสติรู้ได้เทว่าเอาเสียงเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติทางเข้าทางออกของอารมณ์มีอยู่ห้าคือตาหูจมูกเล่นกายและใจ ตาหัวจมูกเล่นกายเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องใช้ของจิตซึ่งโดยธรรมชาติของจิตแล้วเขาไม่มีไม่มีร่างกายตัวตนเป็นแต่เพียงความรู้สึกกรูนึกกลูคิดในขณะที่มีกายเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้น เครื่องมือสื่อสารกับโลกภายนอกของจิตคือตาหูจมูกเลิ่นกายและใจตาหูจมูกเลิ่นกายและใจนี่แหละเป็นที่เกิดของอารมณ์และกิเลสทั้งหลายเมื่อตามองเห็นโลก้ลกลกลกาหากว่าจิตอ่อนสติ หรือสติอ่อนรู้ไม่ทันเพลอเกิดความยินดีก็เป็นกามตันหาเกิดความยินร้ายก็เป็นวิภวตันหาถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในความยินดียินร้ายก็เป็นภาวะตันหาสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางหูจมูกเลี้ยงกายก็ดีก็เช่นเดียวกัน เมื่อเสียงซึ่งมาสัมผัสกับจมูกเล่นกายได้ใจถ้าเกิดความยินยินร้ายก็เป็นกิเลสยินดีก็การมาตัญหายินร้ายก็วิภาวะตัญหายึดมั่นในสิ่งนั้นก็ภาวะตัญหา เมื่อจิตมีความรู้สึกว่ามีการมติหาภาวะติหาวิภาวตัตหาอยู่พร้อมเขาก็ย่อมมีความยินดียินร้ายถ้าสิ่งที่พอใจยินดีก็มีความถาเยอทยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่สิ่งใดไม่พอใจเกิดความยินร้ายก็ถ้าเยอถ้ายานอยากจะให้พ้นไปหรือหนีให้พ้น ในเมื่อไม่สมหวังเลื่อหนีไม่พ้นก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่เกิดเพราะตันหาคือทุกขอริยสัจทุกขอริยสัจนี่หมายถึงทุกข์ใจทุกข์ที่เกิดกับใจเป็นทุกข์ที่มีใจเป็นผู้รับรู้แต่ว่าทุกข์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีตาหูจมูกเลี้ยกาย ตามธรรมชาติของจิตถ้าหากว่ามีแต่จิตดวงเดียวไม่มีกายไม่เห็นจะมีอะไรจะเป็นทุกข์เช่นอย่างผู้ที่ทำสมาธิจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิ <c oughs> จนกระทั่งรู้สึกว่ากายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวลอยเด่นอยู่ในถ้ำกลางแห่งความว่าง สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่ดีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีแม้แต่จะไปมีความคิดความอ่านก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีประสาททางกายช่วยให้เกิดความคิดอ่านหรือไม่มีส่วนที่จะช่วยให้เกิดความยินดียินร้าย ในเมื่อเรามาพิจารณากันดูให้ซึ้งความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราเวยอยู่เพราะเรามีกายถ้าหากว่าเราไม่มีกายมีแต่จิตวิญญาณดวงเดียวความสุขก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีนี่แต่ความว่างเปล่า ว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่มันเป็นกลางๆอันนี้คือความเป็นเลนตีริทของจิตแท้จิตตั้งเดิมจิตยังไปไปอยนิ่งนิ่งว่างว่างปะพัชรันไม่ทางพิกเวติตัง โดยธรรมชาติของจิตตั้งเดิมเป็นธรรมชาติประพัสสนแต่อย่าไปเข้าใจว่าจิตประพัดสนก็จิตหมดเกลเสถึงพระนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นติตที่สะอาดเพียงแค่สะอาดไม่ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเหมือนเหมือนกับผ้าสีขาว เรามองดูแล้วมันเป็นผ้าที่สะอาดเพราะมันเป็นสีขาวไม่ถูกต้องด้วยฝุ่นละอองหรือสีมันก็ยังทรงความเป็นผ้าสีขาวของมันอยู่อย่างนั้นจิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันดั้งเดิมก็เป็นจิต ท, ที่มีสีขาวแต่ในบางครั้งจะมัวหมองขุดมัว เพราะอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายไปปรุงแต่งกิตให้มีความยินดียินร้ายจึงเกิดความมัวหมองเกิดความเศร้าเกิดความไม่สะอาดแล้วก็แสดงปฏิกิริยาออกไปยินดีบ้างยินร้ายบ้างแล้วก็เป็นพกมอันนี้ในขณะที่กายมาปรากฏ แต่ถ้าเขาว่าจิตไม่มีกายก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เรามีอุบายครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้ามีอุบายวิธีให้เราปฏิบัติหลายแบบหลายอย่างเฉพาะแต่สมถกรรมฐานอย่างเดียวมีถึงสี่สิบแบบ ทางนี้ทางนั้นก็เพื่อให้นักปฏิบัติทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิถึงจุดที่ไม่มีอารมณ์จิตมีแต่จิตนิ่งสว่างสวัยอยู่หรือ่อรู้ตื่นเบิกบานก็เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าจิตแท้จิตร่างเดิมของเรานั้นมันเป็นอย่างไร ในเมื่อเราได้รู้ความเป็นจริงของจิตแท้จิตร่งเดิมเราก็จะได้ความรู้ว่าจิตเป่าแก่แค่ร่างเดิมของเรานั้นเป็นจิตที่ประพัดสนเป็นจิตที่เป็นปกติเป็นจิตที่ค่อนข้างจะสะอาดแต่ไม่ถึงบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง ที่ว่าไม่บริสุทธิ์โดยสิ้นเทิกนั้นก็เพราะเหตุว่ามันไปสะอาดบริสุทธิ์เฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีร่างกายตัวตนแต่เมื่อออกมาจากสมาธิมาแล้วมันมามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็สร้างความยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่ผ่านเข้ามา จึงทำให้จิตเศร้าหมองบ้างพ่องแท้วบังสลับกันไปเป็นช่วงช่วงในสมัยโบราณพวกฤาษีทีไพรทั้งหลาย <c oughs> เขาบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้ทานสมาบัติแปดจิตที่อยู่ในสมาบัติแปดตั้งแต่ขั้นจะตุทะฌานขึ้นไป จะรู้สึกว่าไม่มีร่างกายตนตัวปรากฏโอ้ทำสมาธิภาวนาได้ชานถ้าไปหลงติดหลงติดความว่างในสมาธิในชานก็ไปเที่ยวสำคัญว่าตัวได้สำเร็จพระนิพพานสำเร็จเป็นพระอระหรันต์เราไปชลาใจว่าในเมื่อเราใกล้จะตาย เราเรียกยกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิทำจิตให้ดำเนินไปตามขั้นตอนของฌานในเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในอ่าแล้วก็สำเร็จพระนิพพานส่วนใหญ่พระฤาษีเข้าเข้าใจกันแบับนี้อันนั้นเป็นสมาธิตามแนวทางพวกฤาษีที่บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าบางเป็นพระอรหันต์บ้าง มองแต่ความสงบมองแต่อิิธิลมองแต่ความเก่งมองแต่ความรู้ความเห็นในสิ่งต่างๆซึ่งเรีย่ยซึ่งตามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าได้มาตรัสลู้แล้วพระองค์ทรงจัดเกนในเรื่องของของสมาธิพระองค์จึงมาบัญญัติสมาธิ ที่เป็นไปตามแนวทางของฌานสมาบัติว่าอารัมมณูปนิธานเธอเมืเ่อเจสงบแล้วไปู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวความรู้ไม่ปรากฏสบายดีเหมือนกันแต่เสร็จแล้วสมาธิในระดับฌานสมาบัตินี่มันเป็นสมาธิเพียงแค่ขั้นโลกีเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นโลกุตระ อย่างดีผู้สำเร็จสมาธิในขั้นนี้ก็ไปเกิดเป็นพระพรหมตั้งแต่ปฐมฌานจนกระทั่งถึงเนวสัญญาณาสัญญายัตนะฌ า, านไม่เสื่อมสมาธิไม่เสื่อมตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมมีอายุยืนตั้งหลายกับหลายกันพ่วงเวลาที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อจัดสรู้ อันนี้เป็นสมาธิที่ยังไม่เข้าทางแห่งอริยมรรคอริยผลส่วนสมาธิที่เข้าในทางแห่งอริยมรรคอริยผลหมายถึงลักคนูปนิชฐานเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วความสงบของจิตก็มีวิตกวิจารปีสิสุขเกตคตาเช่นเดียวกันกับสมาธิในทานสมาบัติ แต่เมื่อจิตสมาธิของในแนวทางอาริยมรรคอริยผลเมื่อจิตสงบลงไปแล้วในขั้นต้นก็อาจจะมีความสงบเข้าไปสู่ทานที่หนึ่งสองสามสี่ในแนวเดียวกันกับทานสมาบัติแต่ว่ามันมีทางแยก สมาธิตามแนวทางอริยมรรคมันจะแยกไปแต่สมาธิเบื้องตน้นท่านผู้ปฏิบัติลองสังเกตดูให้ดีเช่นอย่างเราบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นตน้นเมื่อบอริกรรมภาวนาไปพอรู้สึกว่าจิตมีอาการเคลิมเคลิมจิตหยุดบริกรรมภาวนา แล้วความคิดอื่นมันเกิดขึ้นนอกจากบริกรรมภาวนาในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตกาลังจะเดินเข้าไปสู่อารัมมณีอนุปนิชฌานในบางครั้งบางทีนักปฏิบัติทำสมาธิให้ได้อัปปนาถึงอัปปนาสมาธิภาวนาโพธโททิไรัยกิดเข้าสู่อัปปนาสมาธิทุกครั้งทุกที แล้วเป็นิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิเป็นเวลานานๆหลายหลายชั่วโมงทีนี้แต่เมื่อภายหลังเรามาภาวนาพูดโทพธิโทธเพียงสองสามคำเกตมันก็โวบลงไปนนดหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาฟุ้งๆุ้งขึ้นมาอย่างกระนามผุนี่ทัยติภกท่านผู้ใดเป็นไปอย่างนี้ กำลังจะก้าวขึ้นสู่ลักคนูปนิธานลักคนูปนิธานจิตสงบแล้วมีความคิดอ่านเกิดขึ้นถ้าหากผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจจิตปล่อยให้จิตเคลดไปตามธรรมชาติของจิตแล้วมีสติกำหนดตามรู้อารมณ์จิตไป บางทีเราอาจจะท้าทายว่าเธอจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูเธอแล้วก็ปล่อยให้คิดไปตามธรรมชาติ <c oughs> อันนี้ความคิดความเข้าใจอันนี้อาจจะขัดกับความรู้สึกของท่านผู้ฟังเพราะส่วนใหญ่เราเราจะได้ใจจะได้ ย, ดยลับคำแนะนำตักเตือนว่า ถ้าภาวนาโดโธอยู่ถ้าจิตนิ่งอยู่กับโดโธก็ปล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้าจิตเ้่งโดโธไปคิดอย่างอื่นพารู้ตัวให้ดึงกลับมาหาโดโธอีกนี่เราจะได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้แต่วันนี้ท่านมาได้ยินว่า เมื่อจิตของท่านอยู่กับพธิโทปล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้าจิตเที่ยงพธิโธไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้มันคิดไปแต่เดี๋ยวท่านก็จะคิดว่าเอาอะไรมาพูดเท่าที่นำเรื่องนี้มาพูดซ้ำอีกทีหนึ่งก็เพราะเหตุว่า ยังมีหลายหลายท่านที่ทำสมาธิภาวนาจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแต่เมื่อภายหลังพอบริกรรมภาวนาหรือกาหนดจิตเพียงนิดหน่อยจิตจกสงบผู้โปงเป็นสมาธิแล้วความคิดมันจะพุ่งพุ่งขึ้นมาไปพยายามห้ามไม่ให้มันคิดไปดึงมันมาหาพูดโพอีก มันก็ไม่ยอมอยู่หนักนักเข้านอกจากจะไม่ยอมอยู่แล้วยังทำให้รู้สึกเกิดความตึงเครียดทำให้ปวดศรีศรษะคล้ายๆกับจะเป็นโรคประสาทที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเราไปขัดขวางธรรมชาติของสมาธิ เราว่าได้กล่าวแล้วว่าสมาธิมีอยู่สองอย่างอารัมมณูปนิธฐานเจตสงบนิ่งเป็นสมาธิรู้ที่ติดเพียงอย่างเดียวความรู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งอารัมมณูปนิลักพานูปนิธฐานเมื่อเจตสงบแล้วความรู้ความคิดอ่านมันเกิดขึ้นยังกระทำผู้ ทีนี้ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาไม่เข้าใจผิดปล่อยให้มันคิดไปตามธรรมชาติของมันแต่เรามีสติกำนดลูกความคิดนั่นไปเกิดคิดไปถึงไหนคิดเรื่องอะไร คิดเรื่องบุญคิดเรื่องบาปคิดเรื่องปุสนเรื่องอาปุสนปล่อยให้คิดไปบางท่านอาจจะคิดว่าถ้าเผื่อไปคิดถึงถึงเรื่องบาป ท, ทำบาป ท, ทำกรรมกลัวว่าจะเกิดเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นความจริงสิ่งที่สําเร็จเป็นมโนกรรมนั้นเราต้องมีเจตนาคือความตั้งใจจะคิด แต่ถ้าอยู่ๆแล้วจิตคิดขึ้นมาลอยๆไม่ตั้งใจมันไม่สำเร็จเป็นมโนกรรมดังนั้นเมื่อจิตของท่านคิดอะไรขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเอาความคิดเป็นอารมณ์สิ่งโลภสติเป็นสิ่งละอเอาอารมณ์เอาความคิดเป็นสิ่งลู้ของจิตเป็นสิ่งละลึกของสติ ทีนี้ถ้าหากว่าสติของเราไปกําหนดจดจ้องรู้อยู่ที่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปโดยไม่สนใจกับสิ่งอื่นรู้แต่ความคิดอย่างเดียวมันก็กลายเป็นปิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียกว่าเจริญปิตานุปัสสนาเือเจตกำหนด เอาความคิดเป็นอารมณ์ทีนี้ในบางครั้งถ้าเรากำหนดรล้อารมณ์จิตไปเป็นจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ความคิดนั้นมันอาจจะมายั่วให้เราเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วก็เกิดโศกเกิดทุกข์ขึ้นมา เมื่อเจตมีสติกำรรนดูลรล้ที่เวทนาก็เรียกว่าเวทนานุปัฏฐนาสติปัฏฐานถ้าจิตไปกำหนดหมายรู้เรื่องแห่งความคิดซึ่งเป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นธรรมานุปัฏฐนาสติปัฏฐานเรามีความคิดได้เพราะเรามีกายอาศัยกายเป็นเครื่องมือ ความรู้ว่ามีกายก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ว่ามีเวทนาสุขทุกข์ก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ว่าจิตมีความคิดก็เป็นจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้ว่าความคิดนั้นเดชทั่ว เป็นโกศลหรืออาโกศลก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางทีเราอาจจะได้เจริญสติปัฏฐานสี่ในขณะจิตเดียวพร้อมกันไปเพราะถ้าจิตรู้ว่ามีกายก็กายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ว่ามีความคิดก็จิตานุปัสสนาสติปัฏฐาน รู้ว่าความคิดทำให้สุขหรือให้ทุกข์ก็เวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน้ว่าจิตคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ก็เป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานการปฏิบัติธรรมที่ท่านแบ่งภาคเอาไว้ท่านพูดถึงเรื่องการเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานก่อน แล้วก็มาเจริญเวทนานุปัสจนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานธรรม า, านุปัสจนาสติปัฏฐานโดยลำดับคือว่าทำให้คล่องตัวชานิํานานแต่และอย่างละอย่างแต่ความจริงไม่ใช่เป็นแบงนั้นเพียงแต่เรานั่งเพียงแต่เรามีสติกำหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างดเดียว แม้แต่ความรู้สึกความคิดที่ยังห ย, ยาบๆเราก็สดสามารถว่าเรามีกายสามารถรู้ว่าเรามีความคิดสามารถรู้ว่าเรามีสุขมีทุกข์สามารถรู้ว่าจิตของเราความสงบของจิตนี่ก็มีอยู่สองขั้นตอนเหมือนกันอย่างหนึ่งผู้ปฏิบนนัติน้อมจิตให้เกิดความสงบ เรอนอนปิดให้ลูกอยู่กับอารมณ์เดียวเทียงแต่จิตหยุดคิดหยุดหยุดความวุ่นวายไปลู่ในสิ่งสิ่งเดียวแต่หากว่าความตั้งใจที่จะควบคุมจิตให้ลู้ในสิ่งเดียวยังไม่หมดไปแต่สามารถทำจิตให้สงบได้อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความสงบยังไม่ใช่สมาธิ สมาธิจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อผ่านความสงบไปแล้วเมื่อจิตเกิดมีความสงบสมาธิดิ่งลงไปเกิดมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งมีความสว่างสไสวเจตปฏิวัติตัวไปตามขั้นตอนของสมาธิเจตจะอยู่ในขั้นที่หนึ่งก็เป็นไปเองจะก้าวขึ้นสู่ขานที่สองก็เป็นไปเอง จะเข้าขึ้นสู่ชานที่สามที่สี่หรือไปถึงสมาบัตแปดก็เป็นไปเองในเมื่อสมาธิตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาแล้วผู้ปฏิบัติไม่มีสิทธิ์ที่จะไปน้อมจิตให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้ถ้ายังน้อมจิตน้อมใจยังตั้งใจได้อยู่มันก็ไม่ใช่สมาธิโดยธรรมชาติเป็นแต่เพียงว่าเราแต่งให้จิตสงบได้ แล้วก็น้อมไปนึกถึงขั้นของฌานนั้นๆว่ามันมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยเอาสัญญาความจำเข้าไปปรุงแต่งสมาธิและฌานของเราให้เป็นไปสามขั้นตอนแต่มันเป็นเพียงสมาธิหรือฌานที่เราตกแต่งเอามันยังไม่ใช่ของจริงในเมื่อเราภาวนาทำสมาธิยังไม่ใช่ไม่ถึงของจริงหรือไม่รู้ของจริง สมาธิยังไม่เป็นเองโดยธรรมชาติเราจรึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาจิตของเราให้ตกไปได้บางทียิ่งทำสมาธิเก่งเท่าไรก็ยิ่งทำให้เกิดทิฏฐิมานะมากขึ้นเท่านั้นอันนั้นมันยังใช่การไม่ได้เพราะฉะนั้นหลวงปูเ่เสาท่านจึงเตือนโลกจิตโลกหาเสมอว่าให้เร่บเร่งภาวนาเข้าให้มันถึงความเป็นเอง คำว่ถ า, าถึงความเป็นเองนี่เจตจะสงบเป็นสมาธิก็เป็นไปเองโดยธรรมชาติเจตจะเกิดภูมิความรู้ก็รู้ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเจตจะแยกออกจากแยกตัวออกจากอารมณ์ก็เป็นไปเองโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราสั้งใจจะไปตกไปแต่งหรือไปแยกแยะเอาเอง ที่เราตั้งใจปกแก่งแยกแยะมันไปเป็นเสียเพียงภาพปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติเพื่อนำจิตเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเพิงสังเกตให้รู้ความเป็นไปของจิตของตนเองสมาธินี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในขณะ แต่ในเฉพาะแต่ในขณะที่เรานั่งหลับตาเท่านั้นมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกขณะแม้ว่าเราปฏิบัติสมาธิวันนี้จิตไม่เคยสงบเลยมีแต่ความเดือดร้อนคุ้งซ่านลำคาญแต่เราก็เข้าใจว่าเราปฏิบัติไม่ได้ผลเพราะจิตไม่สงบแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วจิตจะสงบหรือไม่สงบก็ตาม จะไรผลหรือไม่มีผลซึ่งเกิดจากการปฏิบัตินั้นเป็นไปไม่ได้เมื่อเราทำสมาธิภาวนาจิตไม่สงบเราก็ได้ความรู้ว่าทำสมาธิวันนี้จิตไม่สงบแม้ว่าจิตจะไม่สงบแต่เราจะได้พลังทางสติเพิ่มขึ้นทั้งๆ ท, ที่จิตไม่สงบนั่นแหละมันก็จะเพิ่มมันจะสร้างพลังงานของมันไว้สีละน้อยละน้อย ในเมื่อมีพลังพร้อมขึ้นมาเมื่อไหรเขาจะสงบเมื่อไรเขาก็จะเกิดความสงบขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ